ปฏิสัมพิธามรรคนี้ถ้าโดยโดยอัฏฐะแปลว่ามรรคเนี่แปลว่าทางอนะทางเพื่อปฏิสัมพิธาถ้าคัมภีรก็คือคัมภีร์ที่เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดปฏิสัมพิธาคําว่าปฏิสัมพิธานี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่ถึงความแตกฉานหรือปัญญาที่มีการจําแนกแยกแยะในประเภทอะไรต่างๆได้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 พระองค์นั้นประกาศทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยใช้บทอักขระเป็นต้นเนี่ยไม่มีประมาณใช้ถ้อยคำไม่มีประมาณเลย ส, ส, ส, ส, สพูดเดกภาษาหนึ่งบอกว่าเปลืองถ้อยคำมากเลยเพื่อจะให้รู้อริยสัจเนี่ยใช้ถ้อยคําอย่างบอกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะอย่างพระ เ, เราพูดได้หนึ่งคำเนี่ยพระนนพูดได้แปดคำพระนรนพูดได้คำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกค ทั้นเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าประกได้ร้อยกว่าคําผู้ได้มากขนาดนั้นก็เพื่อประกาศอริยสัจเพื่อแสดงอริยสัจนั่นแหละท่า น, นการแสดงอริยสัจนั้นจึงมีการแสดงโดยปริยายปริยายแปลว่าเหตุโดยเหตุมีประการต่างๆเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นถือว่ามีคุณมากมีคุณที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะถ้าเห็นอริยสัจแม้ครั้งเดียวนะ ที่เรียกว่าเข้าถึงความจริงที่ที่เป็นความจริงที่ทําให้บุคคลทั่วไปกลายเป็นพระอริยะได้เห็นอญญริยสัจข้างเดียวเนี่ยมีคุณมากไม่มีอะไรที่จะมีคุณยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะเขาสามารถปิดประตูอาบายทุกติวินิบานรกได้หมดเลยนะนะพระองค์จึงภาคเพียรพยายามแล้วก็บารมีทั้งหมดที่พระองค์บําเพ็ญเนี่ยนะก็เพื่อให้อ่าเพื่อช่วยสงเคราะห์มูสัตว์ให้เห็น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 มาแสดงโดยปริยายต่างๆซึ่งนั้นก็คือทุกขสัจจะเนี่ย น, นะก็คือทุกขสัจจะแล้วพระองค์ก็มาแสดงสมุทยัยอ่ะนะสมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกขจะแสดงว่าปฏิจจสมุปบาทแสดงตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่จะแสดงอย่างไรก็ตามจะแสดงเรื่องเหตุเรื่องผลโดยอย่างไรก็คือประกาศสมุทยัยสัจจะแต่การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาแบ่งออกเป็นเป็นสองสองคำคือ ปรวัตตะกับนิวัตตะปรวัตตะกับนิวัตตะเปรวัตตะนี่แปลว่าไปไปเรื่อยเหมือนกระแสน้ําที่ไหลไปไม่ไม่มีจบนะนะก็ไปเรื่อยไปยังไงก็คือไปในวัตตะไงเป็นไปในวัตตะเมื่อไปในวัตตะแล้วก็เหตุที่ทําให้ไปในวัตตะส่วนนิโรสัจจะก็คือนิวัตตะแปลว่าการตรงกันข้ามกลับมาเลยเป็นการทวนกลับทั้งหมด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 ที่เป็นเป็นตัวบรรลุนิพพานเนี่ยตัวนี้ยากที่สุดเลยคือการประชุมพร้อมแห่งองมัชทีนี้ก่อนที่มัชจะเกิดขึ้นทั้งแปดองค์เนี่ยเกิดได้อย่างไรมีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นอุปนิสัยนี่อุปนิสัยหรือปัจจัยใกล้ๆขององค์มัชอริยมัชที่จะเกิดขึ้นเห็นอริยสัตนั้นะ่ะเหตุใกล้จริงๆของเขาก็คืออะไรก็คือการเจริญโพชงการเจริญ ส, สติปทาน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 สมัยใหม่ฟังมากแต่อยู่กับธรรมะน้อยต่างกันไหมถ้าดูไม่ต่างก็แย่แล้วนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฟังไม่มากแต่เขาจําได้หมดแล้วเข้าไปคิดตามนั้นเนี่ยมากคิดทั้งวันคิดทั้งคืนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะอะพระพุทธเจ้าแสดงปกินอากาศคถาให้แก่พระปัญจวัคคีสมมติว่าเขาเขาวันอาสาลหะใช่ไหยพระองค์ประกาศธรรมจากพระอัญญาโกณทัญญบรลุรูปเดียว ส่วนอีกสี่องค์ไม่ได้บรรลุเลยนี้ในในองค์ที่เหลือเนี่ยนะพระมีห้าห้าท่านมีใครบ้างนะพระโกนธัญญะวัปปะมหานามพัทธิยะอัศเชเนี่ยบรรลุรายวันวัลละองว์ลละองวัลวละ อ, องไปทีนี้ถามว่าพระองค์สอนอะไรให้แก่ภิกษุเหล่านั้นที่บอกว่าปกกินนากากถาทั้งทั้งที่ท่านเหล่านั้นก็ฟังธรรมจักฟังอริยสัจเหมือนกัน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 จนอาจารย์ต้องยอมรับให้มานั่งตำแหน่งเดียวกับอาจารย์ตลอดเนี่ยนะท่านมีความสามารถขนาดนั้นนี่ถ้าใครที่ศึกษ า, าพุทธประวัติมาอาทิตชาติสุดท้ายก็ได้ก่อนนะเฉพาะชาติสุดท้ายอย่างชาติสุดท้ายเนี่ยนะท่านเป็นคนที่เกิดมาสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างใช่ป็นเป็ น, ปนถ้าเป็นเด็กก็เด็กที่ได้รับการเอาอกเอาใจมากที่สุดดูแลอย่างดีที่สุด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 สิกถึงยี่สิบกิโลเมตรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีกำแพงขวางกัน้นมองทะลุดินลงไปนี่ร่วมยี่สิบกิโลเมตรได้สบายเลยไม่ไม่ใช่ตาทิปนะตาเนื้อธรรมดาเนี่ยบรรัศสมีโดยรอบท่านจะมองเห็นหมดท่านมีความสามารถขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนที่เกิดมานี่มีขุมทรัพย์เนี่นะภูเขาทองเนี่ยผุดขึ้นสี่สี่ภูเขาอะ่ะท่านมีบุญจริงๆเสร็จ แ, แล้ว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 ท่นคิดไปหาเกิดเลยถ้าไม่เกิดความแก่แบบนี้ไม่มีแล้วก็คิดวันหลังก็ไปเจออะไรคนป่วยอีกใช่ไหมทุกคนต้องป่วยอย่างนี้หมดใช่ไหมบอกใช่ความเกิดนี่เลวจริงๆเลยถ้าไม่เกิดน่าไม่ต้องป่วยอย่างนี้เสร็จไปเห็นคนตายใช่ไหมคนร้องไห้ระงมคิดถึงคนตายทุกคนต้องตายหมดใช่ไหมบอกใช่ความเกิดนี่เลวมากเลยถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวก็ไม่ตายเสร็จแล้วก็วันหลังเห็นนักบวชใช่ไหม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 เนวสัญญาณสัญญายศนะแล้วสามารถบอกสอนได้หมดเลยแต่ท่านก็ยังแม่นยาว่าชาญเหล่านั้นก็ยังนาเกิดอีกอยู่ดีนะนํานำ น, ำนำเกิดในอรูปประพบที่อีกอยู่ดีแต่และท่านเป็นคนที่คิดยาวพระโพธิสัตว์นี่เป็นคนที่คิดยาวคิดยาวยังไงคิดยาวว่าเหมือนเหมือนอย่างที่เขาว่านะถึงจะไปไกลยังไงก็กลับมานอนบ้านคิดง่ายๆเนี่ยนะ เหมือนเราจะเหมือนเราจะไปที่ไหนก็ตามจะไปถึงไหนถึงไหนก็กกลับมานอนบ้านฉันใดก็ดีคนที่เวียนไหวตายเกิดในวัดตะก็ฉันนั้นถึงจะเวียนไหวตายเกิดไปพบใดก็ไม่ได้พ้นจากการเวียนไหวตายเกิดถึงจะไปเป็ น, ปนอรูปประพรมก็เวียนกลับมาสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราในหลายๆแห่งชมเลยว่าโซดาปฏิมักเนี่ยนะมีคุณยิ่งกว่าเนวสัญญานาสัญญาญตนะเอาโซดาปฏิมักเนี่ยมหาลัยสิบก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 ก็ตรงทัามหมดไปไหนดีกันเนี้เพราะฉะนั้นกรรมที่เคยทําในอดีตเนี่ยมานําไปสู่อบายทุกขติวินญบางมันจึงไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเออคือท่านก็มาค้นคิดโดยประการต่างๆโดยทุกแง่ทุกมุมหมดมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาท่านก็ที่ว่ามาทําทุกขะระกิริยาหกปีนะที่มาบําเพ็ญความเพียรหกปีหกปีนี่ไม่ใช่ท่านไม่คิดอะไรนะเขาบอกว่าตลอดหกปีเนี่ยกระแสความคิดของท่านไหลไปเหมือนแม่น้ํา นะไม่มีอกุศลแทรกด้วยเนี่ยนะมีแต่คิดโดยเฉพาะคิดอริยสัจเนี่ยท่านคิดอยู่หกปีเนี่ยนะคิดคิดจนว่าถ้าไม่อย่างคืนสุดท้ายนะบอกถ้าไม่บรรลุไม่เอาแล้วไม่เลิกแล้วไม่ลุกอีกแล้ววะงั้นเถอะขอตายนั่งตายอยู่ตรงนี้นะแหละกรกว่าร่างกายอ่นะร่างกายเนี่ยจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระก็ให้มันเหือดแห้งไป ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความภาคเพียรของบุรุษเนี่ยไม่ลุกและก็แปลว่าขอตายแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ที่ไข้ควรมาคิดมานี่มันไข้ควรมาเกือบจะทุกรอบเกือบจะทุกแง่ทุกมุมหมดแล้วแล้วก็ท่านก็เข้าฌานนันะเนะนะข้าฌานแล้วนเะข้าฌานของท่านในไม่กี่นาทีท่านก็เข้าได้แล้วฌานสีของท่านเนี่ยไม่ไม่อาจจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําไปเพราะก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ฌานอยู่แล้ว ท่านเข้าฌานออกจากฌานเป็นเรื่องปกติก่อนก่อนที่จะมานั่งโคลนต้นโพนั้นพอมาถึงโคลนโพนี่นะท่านนั่งเข้าฌานแป๊บเดียวก็ได้แล้วแล้วใช้เวลารละลึกชาติอีกกี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงระลึกชาติอย่างเดียวในะสีชั่วโมงแล้วก็พิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายอีกคำว่าพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยรวมไปจนถึงรวมไปถึงไหนรวมไปถึงกรรมที่นาเกิดด้วยนะ ไม่ใช่พิจารณาแต่ที่เกิดอย่างเดียวพิจารณาว่าทำไมกรรมเหล่านั้นไปนำเกิดนะที่นั้นนั้นได้อย่างไรกรรมไปนำเกิดนะที่นั้นนั้นได้อย่างไรท่านก็รู้ทั้งหมดเมื่อรู้ทั้งหมดเลยว่าถ้าอากุศลกรรมนำเกิดในอบายกุศลกรรมนำเกิดในสุขติเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามหากุศลนาเกิดในกามะพภุทารูปาวจรกุศลนำเกิดในอาระภพ ในรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะแล้วทำไมกรรมมันจึงนำเกิดได้อนะทำไมกรรมมันจึงนำเกิดได้ก็เพราะตัณหาและอุปาทานทำไมตัณหาอุปาทานจึงนำเกิดได้ <m> ก็เพราะ <m> ไม่รู้อ่นะไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ไม่ละสิ่งที่ควร ละไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะไม่เจริญในสิ่งที่ควรจเจริญพระองค์ก็ไข้ควรแล้วสามารถกําหนดนะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็เจริญในสิ่งที่ควรจเจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสี่ชั่วโมงสุดท้ายทํากิจอันนั้นจริงๆเพราะนนั้ท่านจึงในคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าบรรลุโสดาปฏิมา ต, ตอนกี <d> ่ยาม แต่ว่าท่านเริ่มเจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยเริ่มตีสองไปบรรลุอรหัตผลตอนตอนต อ, นอรุณขึ้นพอดีในระหว่างนั้นไม่ได้บอกว่าโซดาปฏิมากเกิดระหว่างไหนสกะทาคามีมากเกิดระหว่างไหนอนาคามีมากเกิดระหว่างไหนแต่ว่าบอกแต่ตอนวาอารหัตผลเกิดพร้อมขณะอรุณขึ้นพร้อมยังไงก็ต้องตามขั้นเพราะจะไม่มีคําว่าพรวดขึ้นอรหันต์เลยไม่มียังไงก็ต้องวิปัสสนาไปโดยลําดับ แล้วทำโสดาปฏิมักให้แจ้งเอ่อเจริญโสดาปฏิมักทำโสดาปฏิผลให้แจ้งปัจเจกขณะยาณอย่างบริบูรณ์แล้วเจริญวิปัสนาใหม่เพื่อให้บรรลุเป็นพระสกท า, าคามีพอเป็นพระสกท า, าคามีก็ไข่ครวญทุกแง่มุมในภูมิของพระสกท า, าคามีจนสำร็จและเจริญวิปัสนาอีกจนเป็นพระอนาคามีก็ไข่ครวญไข่ค ร, ครวญคุณธรรมของพระอนาคามีอย่างละเอียดละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เจริญอีกจนเป็น ถ้าอหารท้อมกับอรุณขึ้นแล้วก็ปัจเจกขณะยานเข้าพระสมาบัติอยู่เข้าพระสมาบาัติสลับกับการพิจารณาสลับกับการพิจารณาโดยเฉพาะคืนสุดท้ายเนี่ยเจริญพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะทั้งคืนสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะพิจารณาอริยสัจทั้งคืนเลยซึ่งเกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอริยสัจคงได้กล่าวในวันเสาร์หน้าแต่ที่เอามาพูดตรงนี้เพราะเพราะอะไร พะเรากำลังพูดในหัวข้อว่าละสิ่งที่ควรละทีนี้นการละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะถ้ายังยินดีติดใจในรูปอยู่ก็ไม่สามารถจะละรูปได้ถ้ายังติดใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่หรือยังพอใจในบาปอากุศลอยู่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากทุกได้เพราะคำว่าละในที่นี้หมายถึงการละละอกุศลใช่ไม้ม อกุศลเนี่ยเวลามันเกิดมันเกิดที่ไหนยังไงมันก็เกิดโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์ก็เหมือนกับว่าอากุศลเนี่ยถ้าถ้าเป็นมองเป็นรูปธรรมหน่อยนะวัตถุก็เหมือนกับมือซ้ายอารมณ์ก็เหมือนกับมือขวาถ้าตบแล้วก็มีเสียงดังขึ้นทํายังไงเวลามือซ้ายมือขวากระทบกันอย่างแรงแล้วไม่มีเสียงทํำยังไงจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมารองที่ที่มันกระทบแล้วไม่เกิดเสียง นี่ก็เหมือนการสมมติาต้องไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วทํำยังไงจริงจะไม่โกรธถ้ารับอารมณ์ที่ดีแล้วทํำยังไงจริงจะไม่ไม่โลภรับอารมณ์ที่ทั่วๆไปทํายังไงไม่ลุ่มหลงกลับเป็นผู้รอบรู้สิ่งนั้นอย่างละเอียดทีทว่วนและยังไงวัตถุกับอารมณ์ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ต้องมีอยู่แล้วนะโดวยวัตถุกับโดยอารมณ์เพราะฉนจะต้องไขครวญวัตถุอย่างละเอียดไขครวญอารมณ์อย่างละเอียดจนสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่ง บาปอากุศลอีกต่อไปเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอีกต่อไปทีนี้บาปอากุศลที่มันเกิดนะโดยอาศัยวัตถุ ก, กับอารมมีอะไรบ้างนับเป็นอย่างหนึ่งคือมานะใช่ไหมทำที่ควรละหนึ่งคือมอานะอสมิมานะก็คือมานะสําคัญในวัตถุ ก, กับในอารมณ์นั่นแหละ ว, ว่าว่าเป็นเราเนี่ยนะด้วยอํานาจอหังการเนี่ยอาหังการว่าเป็นเราถ้ามานะนี่หยาบมาก ทีนี้ทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจภวะตัณหาคือความยินดีเพลดิดเพลินในพบแล้วละละทำสามที่ควรละคือตัณหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคะสี่เนี่ยนะกิเลส ท, ที่เป็นเหมือนห่วงน้ําที่ท่วมทับทำห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำหกที่ควรละคือ ตันหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชะตะข้อปฏิบัติผิดแปดทำเก้าที่ควรละคือทำเก้ามีตัทำมีตันหาเป็นมูลเก้าทำสิบที่ควรละก็คือมิฉตะสิบเนี่ยนะทีนี้เราก็มาคิดดูว่ายามเมื่อตามองเห็นเราจะละตันหาสามได้ยังไงนะตามองเห็นสิ่งที่ควรละคือตันหาสาม ตามองเห็นเนี่ยสิ่งที่ควรละคืออวิชากับภาวะตันหาตามองเห็นสิ่งที่ควรละคือคืออะไรคือนิวรณห้าคือตันหาหกคืออนุสัยเจ็ดคือมิ ช, ชะตะแปดคือธรรมมีตันหาเป็นมูลเก้าสมมติถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะละสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเราจะละสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหยหูได้ยินเสียงเราจะละไอบาปอากุศลทั้งหมดเหล่านี้ได้ยังไงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับประทบโพธาภะใจคิดไปเรื่อยเนี่ยนะ จะละอักุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้ได้ได้อย่างไรเนี่ยนะอ่ะแต่อันนี้คือโจทย์ใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องแต่จะในสติประฐานเนี่ยนะบอกไว้ชัดเจนใช่ไหมผู้ที่จะละจริงๆเนี่ยก็คือเช่นถ้าอย่างทวารตารู้ชัดจักุรู้ชัดสีคือรูปเนี่ยนะรู้ชัดกิเลส ท, ที่มันอาศัยตากับสีเกิดขึ้นกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็ รู้ชัดประการนั้นรู้หมดเลยว่าทำไมกิเลสมันจึงเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นรวมถึงวิธีการละมีกี่วธิธีละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นแล้วละได้เด็ดขาดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยจนรู้ละละแบบเด็ดขาดจริงๆเลยในปหาตปรธรรมที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยคือละกิเลสแบบ ละเด็ดขาดเลยละเด็ดขาดละเด็ดขาดนี้เรียกว่าสมุดเชษฐะประหารสมุดเชษฐะประหารเนี่ยเป็นชื่อของโลกุตระมักอย่างโลกุตระมักเนี่ยมักมีสี่ระดับใช่ไหมคือโซดาปฏิมักสก่ทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักโดกกดนนสาโ ด, าโดาปฏิมักเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมติเอาโซดาโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเนี่ย โซดาปฏิมาเกิดขึ้นละอัสมิมานะเด็ดขาดไหมไม่เด็ดขาดทั้งหมดละมานะที่ไม่เป็นจริงมานะเนี่ยมันมันเช่นว่ามานะเนี่ยมันแบ่งเป็นมานะเก้าก็ได้นะมานะหนึ่งก็ได้มานะสามก็ได้มานะเก้าก็ได้มานะหนึ่งก็คืออัสมิมานะอาหารการสําคัญตัวมากถ้ามานะสามสำคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาถ้ามานะสามถ้ามานะเก้า ตัวเองเนี่ยดีเป็นคนประเสริฐแต่สําคัญว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐอีกทีหนึ่งเป็นผู้ประเสริฐสําคัญว่าเสมอเขาเป็นผู้ประเสริฐสําคัญว่าเลวกว่าเขาเนี่ยี่ก็แบ่งเป็นสามเลยแล้วเป็นคนเสมอเขาอ่ะแต่สําคัญว่าประเสริฐกว่าสําคัญว่าเสมอสําคัญว่าต่ํากว่าอีกสามแล้วเลวกว่าเขาสําคัญว่าประเสริฐกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาเอก็เป็นมานะเก้าเน่นะเป็นมานะเก้า โซดาปฏิมัคเนี่ยละมานะที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะไม่เป็นจริงก็คือเครียกว่ามานะตามเป็นจริงอ่ะนะคําว่ามานะตามเป็นจริงเช่นอ่ะก็สําคัญว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าเขาเพราะเขประเสริฐกว่าจริงๆอ่ะหรือสําคัญว่าเสมอเขาก็เพราะว่าเสมอจริงๆสําคัญว่าเลวกว่าเขาเพราะตัวเองเนี่ยเลวจริงจอ่ะนะแต่ก็ยังเป็นมานะอีกอยู่ดีท่านมานะเนี่ยเด็ดขาดจริงๆริงละที่อรหัตตมักใช่ไหมอรหัตตมักเนี่ยละมานะได้เด็ดขาด อวิชากับภาวะตันหาเนี่ยนะอรหัตตมรจึงจักระเด็ดขาดตันหาสามภวะตันหากับวิภวะตันหาเนี่ยนะวิภวะตันหาละเด็ดขาดด้วยโสดาปฏิมรวิภาวะตันหานะภาวะตันหาที่เกิดร่วมกับสัสตพิธิโสดาปฏิมรละเด็ดขาดแต่ความยินดีติดใจในรูปประพบอรูปประพบยินดีในรูปประชานอรูปประชานอารหัตตมรจึงจักระเด็ดขาด อวิชาละเป็นสมุทเฉดบริบูรณ์จริงๆก็ด้วยอรหัตตมรักโอคะสีโอคะสีมีกามะโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะวะิ โ, โวชคะเนี่ยนะโซดาปฏิมรักละทิฏฐิทิฏฐิโอคะทิโคะได้เด็ดขาดอนาคามิมรักละกามโยโอคะได้เด็ดขาดอารหัตตมรักล์พะโคะกับอวิโชคะได้เด็ดขาดนิ่วรห้า นิวรห้าเนี่ยนะวิกิจิตชาวพระโสดาบันละได้เด็ดขาดการมาฉันทะพระอนาคามีละได้เด็ดขาดพยาบาทพระอนาคามีล ะ, ละได้เด็ดขาดกุกุจะพระพานาคามีละได้เด็ดขาดส่วนทีนะมิทะพระอรหันละได้เด็ดขาดอุทจักก็พระอรหันละได้เด็ดขาดตันหาหมวดทกเนี่ยนะรูปปัญหาสัธธาตว์ท่ะนปัญหาทั่วทวไปเนี่ยพระอนาคามีละได้ เด็ดขาดส่วนธรรมะตันหาเนี่พระอรหรันต์เจงจะละได้เด็ดขาดอนุสัยเจ็ดเนี่ยนะวิจิกิจชานุสัยกับทิฏฐานุสัยเนี่ยพระโสดาบันละได้เด็ดขาดการมราคานุสัยกับปฏิคานุสัยพระนาคามีละได้เด็ดขาดภาวะราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยพระอรหันต์ละได้เด็ดขาดมิชะตะแปดเนี่ยนะละได้จริงๆมิชอาทิถิเนี่ยพระโสดาบัน ละได้เด็ดขาดมิจฉาสังกปะเนี่ยผ้ารหันละได้เด็ดขาดหรือผ้านาคามีก็ละได้ละได้เยอะละพระานาคามีละมิจฉาสังกปะได้เยอะมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยก็พผ้านาคามีเนี่ยจึงจะละได้เออผ้ารหันจึงจะละสมบูรณ์ที่สุดนะไอ้มิจฉตะความปฏิบัติผิดทั้งหมดเนี่ยผ้ารหันละได้สมบูรณ์ที่สุดทำมีตัณหาเป็นมูลเก้าก็ถ้ทั่วไปก็ผ้ารหันละได้เด็ดขาด พันโลกุตตระมักโสดาปฏิมักถ้าพูดในยะสังโยชสิเนี่ยนะโสดาปฏิมักละสกายทิถิวิจิกิจฉาศีลปะตาปรามาอิจฉากับมัชเชริยะห้าอย่างเนี่ยพระโสดาบันละได้เด็ดขาดเด็ดขาดไม่มีเหลือเลยนะด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมักทวนอีกครั้งหนึ่งนะมิจฉาทิถิทุกชนิดวิจิกิจฉาข้อปฏิบัติผิดทุกชนิดมัชเชริยะ กับริษยาเนี่ยนะตะนีกับริษยาพระโสดาบันละได้เด็ดขาดพระสกาทาคามีธรรราคะโทสะโมหะให้เบาบาง น, นะถ้าเป็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นตก็ละได้หนะ้าสิบนะพระนาคามีละอะไรละกามราคะความยินดีในวัตถุ ก, กามได้เด็ดขาดพระนาคามีละความโกรธได้เด็ดขาดพระรหัานาาละอะรูปประคะ ละความติดใจในรูปประชานและอรูปประชานละความฟุ้งซ่านละมานะละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าอรหรันละอวิชชาได้หมดและผ่าหัน ร, รู้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมรู้ทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมอดีตยังไงก็รู้หมดอนาคตรู้หมดภายในภายนอกรู้ทุกเรื่องหมดเลยใช่ไหมละอวิชชาได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ารู้เท่าพระพุทธเจ้าทําทไมก็เหมือนแบบคุณภาพของแสงสว่างอนะ แสงสว่างเนี่ยสมมติถ้ามีแสงสว่างขึ้นแสงสว่างเนี่ยถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นมีความมืดไม่ตรงนั้นไม่มีใช่ไหมแต่อนุภาคของแสงสว่างส่องโลกทั้งโลกสว่างหมดเลยใช่ไหมถ้าถจะมีไฟฉายอันหนึ่งไงมันก็สว่างเฉพาะที่ที่มันส่องได้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ส่องสว่างทั้งโลกเหมือนกับดวงอาทิตย์อะไรถึงดวงอาทิตย์มันก็ส่องได้แค่ไม่ใช่โลกทั้งโลกดวงอาทิตย์ส่องสว่างพร้อมกันทีเดียวหมดใช่ไหม ก็ S <S <an> <t iny> อย่างตอนนี้ของเรากลางวันที่อื่นเขากลางคืนอยู่ยงงถึงสว่างขนาดนี้ก็ม่ยังไม่ส่องสว่างทั้งหมดเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีผู้มีจักษุเนี่ยสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะศาสตร์ส่องเห็นหมดด้วยอนุภาพของปัญญาแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็มีปัญญาที่ยังมีขอบเขตจากัด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 หน้าเก้านะเอกสารหน้าเก้าข้อหกสิบห้าที่บอกว่าการละเนี่ยนะการละพร้ก็เมื่อรู้แจ้งประหนะก็ควรรู้ทำที่ควรละด้วยปหานะนั้ น, น, นไอประหนะทั้งสองเนี่ยท่านบอกว่าโลกุต ร, ประปหานะพร้อมกับประโยชคะไม่พูดถึงโลกิยะประหนะและนิสรณประหนะโลกิยปะปหานะเนี่ยเป็นชื่อของของอะไรโลกิยะประหนะ ปกตินะปะหานะมีอยู่ห้าหนึ่งแต่ทางข้าปะหานสองวิขำพนะปะหานสามสมุเฉท่าปะหานสี่ปฏิปัสสัทติปะหานห้านิสรณะปะหานไม่พูดถึงแต่ทางข้าปะหานไม่พูดถึงวิขำพนะปะหานไม่พูดถึงนิสรณะปะหานคือพระนิพพานเอาเฉพาะสมุเฉท่าปะหานกับปฏิปัสสติปะหานคือเอาเฉพาะมรรคกับผลเอาเฉพาะมรรคกับผล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 มรรคเหล่านี้เนี่ยนะคุณภาพว่าโซดาปฏิมรรคเนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสกะทาคามีมรรคก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถ้าอนาคามีมรรคศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณถ้าอรหัตมรรคสิกขาสามบริบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์เพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเรื่องของประโยคะ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 ขณะที่อริยผลเกิดขึ้นนี่เป็นความสงบประ ง, งับปฏิปัสสธิท่านบอกว่าเพราะกิเลสสงบชื่อว่าปหานะเพราะละกิเลสการละนนะการละอันเป็นความสงบหมายถึงว่าสงบจากอริยามรรคเนี่ยมันเป็นเป็นเหตุใช่ไหมโลกุตระมันเป็นเป็นผลพันธ์ขณะที่ผลนี้จึงเป็นการระ ง, งับบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสมุทเฉทะเนี่ยเป็นขยะยานขยะยานยานที่ถึงความ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 ขยะแปลว่าสิ้นไปคามีก็คือเพราะให้ถึงความสิ้นไปพันมรรคผลเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เข้าถึงธรรมที่สิ้นไปธรรมที่สิ้นไปเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานขยังวิราคังอมตตังปณีตังอ่ะนะขยังก็คือขยะตัวนั้นอ่ะขยังวิราคังอมตตังปณีตังยทัชคาสกยามุนีสมาหิโตะที่ที่เคยฟังสวดมนต์ในรัตนาสูตรอ่ะนะขยังอ่าขยัง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 เดรัชานได้อย่างเด็ดขาดเลยไม่ต้องปฏิสนธิในนั้นอีกแล้วแต่อาจจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าธรรมดาไปเที่ยวไหนเที่ยวบายภูมินี่ไปที่ไหนดิอ้าวเคยเข้าสวนสัตว์ไหมล่ะอ้าวไบายภูมิสวน ส, สัสตว์ใช่สวนสัตว์เนี่ยบายภูมินะไปเที่ยวไบายภูมิไหมยังไงนั่นนี่ถ้าติดป้ายดูเที่ยวสวนสัตว์ก็ไปเที่ยวบายภูมิปฏิไม่ปฏิสนธิในมนุษย์ในภพที่แปดเป็นต้นนี่นะไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์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 อยู่ในความเพียรวิริเย์นะทุกขมัตเจติศาสทั้งหลายจะพ้นจากทุกจะล่วงจากความทุกข์ได้ก็ด้วยอนุภาพของความเพียรถ้าเพียรจริงก็พ้นทุกข์นะถ้ายังเพียรไม่พอก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าสกะทาคามีมัจละ่ะสกะทาคามีมัจนะมาสู่มาเกิดในโลกนี้แค่อีกครั้งเดียวถ้าอนาคามีมัจไม่ต้องมาปฏิสนธิเลยอาจจะลงมาฟังธรร ม, มาสนทนาธรรมมาอะไรกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปได้ แต่ว่าไม่ต้องมาเกิดเนี่ยนะพระอรหันต์ก็ไม่ต้องเกิดในพบใดๆเลยก็ก็พูดถึงอย่างนี้นึกถึงความทุกข์ของปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะเวลาที่เราก้มหน้ามองเห็นแผ่นดินเนี่ยนะนึกไว้เสมอว่าทุกข์ของเรายังอยู่เท่าแผ่นดินทุกข์ของเรายังอยู่เท่าแผ่นดินทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเท่ากรวดเจ็ดเม็ดกับก้อนหินเจ็ดเม็ดใช่ไหมถ้ากับทรายเจ็ดเม็ดเท่านั้นแหละอ่ะ น, นะหน้านี้เขาชอบไปเที่ยวทะเลกัน เรเที่ยวทะเลก็มองเห็นน้ํำเราบอกเราต้องหลังน้ําตาในสังสารวัตรนี่เท่ากับน้ําทะเลน้ําตาของพระไซพระโสดาบันอย่างมากก็เหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดนะแต่ของเราทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวในวัดตะเนี่ยนะยังต้องร้องให้น้ําตาไหลเท่ากับน้ําทะเลนะนะแต่ที่ผ่านมาก็เท่าน้ําทะเลแล้วนะอัดที่ผ่านมามากกว่าน้ําทะเลถ้าไม่เป็นพระโสดาบันมากกว่าน้ําทะเลก็ได้เพราะจะต้อง คิดดูในชาตินี้นะใครเก็บน้ำตาไว้เท่าไหรด่ดีน้ำตาแห่งความเศร้านี่ใครมีกี่หยดลนะ<อ>น้ำตาแห่งความเสียใจเนี่ยนะเสียใจก็น้ำตาเต็มเลยนะเสียใจก็น้ำตาเอ่อท่วมเบ้าตาไปหมดอยางไงนะ<อ>ก็คิดดูนะชาตินี้ชาติหนึ่งและชาติอื่นๆอีกนะหลายสิบชาติยังไงนะหลายๆล้านชาตินี่น้ำตาเราจะขนาดไหนเนาะงนั้น ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันถ้ายังไม่ละสกายาทิทีวิจิกิจฉาสีละพระตะปรามาได้ก็ยังต้องร้องให้อีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติคิดว่าในโลกนี้ใครมั่งไม่ทำให้เราหลังน้ําตาได้มีไหม <S <S คือจริงอยู่ว่าในชาตินี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมก็เลยไม่ต้องไปหลังน้ําตาอะไรแต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นพอ่อเป็นแม่เป็น เป็นเพื่อนที่สนิทเป็นอะไรเป็นครอบครัวสามีภริยาเป็นลูกเป็นหลานถ้าเกี่ยวข้องอะไรกันขนาดนั้นนะถามว่าจะต้องเสียใจไห ม, ไมก็วนกลับไปหาน้ำตายจนได้นั่นแหละปัการแทงตลอดอริยคุณเช่นโสดาปฏิมัติที่เกิดขึ้นละสกายะทิถิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาสละกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ไปล่วงทุจริตกรรมละกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอาบายเป็นต้นเนี่ย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 ไม่เคยออกจากดินแดนของกิเลสเลยก็ยังละไม่ได้หรอกเน่นะนะคิดว่าละนะแต่จริงๆแล้วยังยังไม่ได้ละนั้นพวกสมุทเฉธาเป็นชื่อของโลกุตระมัคสีปฏิปัสสัททิปหานะเป็นชื่อของโลกุตระผลโลกุตระผลก็คือมีแก่บุคคลผู้เจริญมัคเครื่องให้ถึงความสิน้นไปเนี่ยนะคือมัคที่เป็นเครื่องให้ถึงความสิน้นไปตัวที่สิ้นไปจริงๆเนี่ยนะตัวที่ทาให้กิเลสสิ้น ตัวที่ทําให้วัตฏะสิ้นตัวที่สงบระงับดับวัฏตะตัวที่สงบระงับดับกิเลสจริงๆอคืออะไรตัวในครั้งนะี้คือพระนิพพานใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าที่ที่ยกข้อความในนิพพานสูตรนิพพานสูตรจริงๆในเนติปรกรณนี้ยกข้อความมาจากคำพิอุทานานะนิพพานสูตรว่าถ้าหากว่าถ้านิพพาน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 ที่ดับแต่นะดับสังขารธรรมดับสังคัตธรรมดับกิเลสได้ทั้งหมดก็อยู่ที่พระนิพพานมันพระนิพพานนั้นจึงมีอุปการะคุณมากอันะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นคุณที่สูงที่สุดสวัสขาโตภควาตาธรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโยห์เนี่ยหกคานี้เป็นชื่อของนิพพานหมดเลยนิพพานก็เป็นสวัสขาโตภควาตาธรมโมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแท้ แต่คําว่าสวัคขาโตนี่กว้างอ่ะนะแต่ว่าหมายถึงพระนิพพานด้วยสันที่ทโกพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองแต่อากาลิโกนี่เป็นชื่อของอริยมรคนี่ว่าถ้ามรคมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยจะให้ผลไม่มีระหว่างขั้นมร์เนี่ยนะก็ยังมีนิพพานเป็นอารมณ์เอฮิปสัสโกเนี่ยนะน้อมนิพพานมาหาตัวหรือว่าน้อมใจไปหาพระนิพพาน พระนิพพานนี่โอปณยิ่โงแต่เป็นการน้อมใจไปเพื่อแทงตลอดน้อมใจไปเพื่อรู้พระนิพพานเราเราน้อมน้อมกันบ้างหรื อ, อยังนะน้อมไปเพื่อดับจักษุจริงหรือ <c oughs> น้อมไปเพื่อดับหูน้อมไปเพื่อดับจมูกน้อมไปเพื่อดับลิ้นดับกายและดับจิตใจเนี่ยนะน้อมไปเพื่อดับชาติดับกรรม ดับอุปาทานดับตัณหาดับเวทนาดับผัสสะดับสลายตนะน้อมไปเพื่อดับนามรูปน้อมไปเพื่อดับวิญญาณน้อมไปเพื่อดับสังขารน้อมไปเพื่อดับอวิชชาเนี่ยนาย้อมไปเพื่อดับรูปน้อมไปเพื่อดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโอ้ยังงี้ทำบุญอะไรมาเนาะนี่มาดูปหานะสามั้งนะปหานะสามปหานะสามท่านบอกว่าเนคขมมะเป็นอุบายเครื่องสลัดออกจากกาม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 ย่อหน้าที่สองบอกว่ากามานะเมตังนิสระนังเนคขมะเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามเป็นต้นนิสารณะ น, นี้โดยสาวว่าสลัดออกนะนิสรณะเนี่ยนะคือสารณะ น, นี่แปลว่ายึดถืออผู้ทังสรณนังขะฉ า, ามิขปะปเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้านะจริงๆก็แปลว่ายึดถือนะนี่นี่ตัวนั้นนี่ปฏิเสธซอนสอนเสือมมาอีกตัวหนึ่งนี่บอกว่าเลิกยึดถือไม่เอาละแต่ไม่ไม่ใช่ไม่เอาพระพุทธเจ้านะ ไม่เอาเละกามานึ่งพระชื่อว่านิสารนะเพราะเนคขมะเป็นเหตุสลัดออกจากกามนเนเขมะเนี่ยเป็นตัวสลัดออกจากกามใช่ไหมอารูปเป็นตัวสลัดออกจากรูปนิพพานเป็นตัวที่สลัดออกจากสังขตะนนะ เ, ขเนี่ยนะเขามีสามคำไหมจากกามจากรูปจากสังขตะพระนตัวที่ออกจากกามคือเนเขมะตัวที่ออกจากรูปคืออรูป ตัวที่ออกจากสังกตะคือนิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่านิสรณะเพราะออกไปจากกามเหล่านั้ น, นนะเพราะตัวเนคขมมะเป็นตัวออกจากกามคำว่านิสรณะเนี่ยนะมีมีหลายนายด้วยกันแต่ตรงนี้ยกนัยแรกคืออสุภาษฌาน อ, อสุภาฌานเนี่ยชื่อว่าเนคขมมะเนี่นะอสุภาษฌานเนี่ยชื่อว่าเนคขมมะเพราะออกจากกาม คำ ว, ว่าเนคขมมะเนี่ยมีอยู่สองในในที่หนึ่งคืออสุภะในที่สองคืออนาคามีมัชเห็นไหมอนาคามีมัชนะในที่สองอธิบายในย่าแรกก่อนว่าอาสุภะฌานชื่อว่านิสรณะเพราะข่มกามไว้ได้ส่วนอนาคามีมัชเนี่ยนะชื่อว่าอุ ป, ปาทิตตานาคามีมัชเพราะอนาคามีมัชยังฌานให้เกิดรำฌานนั้นให้เป็นบาตชื่อว่าอจจันตานิสรณนะ เป็นอุบายสลัดออกโดยส่วนเดียวเพราะขาดจากกามโดยประการทั้งปวงที่บอกว่าอสุภาษฌานเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นอุปกรณ์เครื่องสลัดออกจากจากกามอสุภาษฌานเนี่ยหมายถึงว่าการได้ฌานเนี่ยสลัดออกจากวัตถุกามภูมิที่เป็นไปกับกามาคุณคืออะไรการมะภูมิสิบเอ็ดใช่ไหมอบบายสี่มนุษย์หนึ่งเทวดาอีกหก เรียกว่าอะไรนะกามาภูมิสิบเอ็ดไอ้เนกขมมะตัวนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอาสุภฌานาถ้าได้ฌานเนี่ยเกิดในพรหมโลกก็คือพ้นจากวังวนแห่งกามโดยชั่วคราวกี่กลับดีกี่กั บ, กกบปฐมฌานนี่เขาแบ่งเป็นสามระดับนะถ้าระดับมหาปฐมฌานอย่างอุกฤตพวกนี้ออกจากออขออภัย ผู้ที่ได้ปฐมฌานอย่างอุกฤษนะั้นมีอายุหนึ่งมหากรัปมีอายุหนึ่งมหากรัปแต่ว่าไม่ใช่ออกอยากได้อย่างเด็ดขาดจริงๆผู้ที่ออกจากกามได้อย่างเด็ดขาดจริงๆคือพระอนาคามีพราะเนคขมมะตัวนั้นเป็นชื่อของอนาคามีมรักอนาคามีมรักนี้ออกจากกามได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะออกแบบชื่นี้กว่าสงบประงับดับกามโดยไม่มีเหลือเลยเพราะว่า พ้นจากวัตถุกรรมและพ้นจากกิเลสกามเนี่ยนะเพราะเ อ, อวัตถุกรรมคือวัตถุเป็นที่ที่ยินดีเป็นที่เพลิดเพลินแห่งกิเลสกามเนี่ยนะมันท่านท่า น, านตัดฉั้นราคาในวัตถุกรรมนะอย่างเด็ขดขาดทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่าเนคขมามีกี่ในนะสองในเนคขมามันเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรรมในที่หนึ่งคืออสุภะฌานในยะที่สองคือ อนาคามีมัตและโดยวิขำพนะปะหารคืออสุภะฌานและโดยสมุทเฉทะปะหารคืออนาคามีมักเนี่ยนะอนาคามีมัตนี้ตัวอรูปฌ า, านต่อไปว่าอารูปเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอารูปเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปคำว่ารูปก่อนนะขยายศัพท์ก่อนคำว่ารูปเพราะอาธิว่า รูปนี่พ่ะอะไรนะรูปปณะใช่ไหมรูปปณะแปลว่าสลายสลายไปอารูปก็คือไม่ใช่รูปอ่ะอารูปนี่ไม่ใช่รูปเฉยๆใช่ไหมบอกไม่ศัตรูของรูปอารูปนี่แปลว่าศัตรูของรูปดุจอะไรดุจมิตรนี่เป็นปฏิปักต่อมิตรไม่ใช่ว่าไม่ใช่มิตรแล้วเรียกอมิตรนะไม่ใช่ใช่ไหมมิรก็คือตรงกันข้ามกับมิตร เหมือนอะไรเหมือนอะโลพาเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อโลพะอะโทสะเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะอะโมหะนี่เป็นศัตรูของโ ม, โมห ะ, มหะเพราะฉะนั้นอะตัวนั้นนี่แปลว่าศัตรูเช่นเช่นอรูปปชาน์นี่แปลว่าเป็นปฏิปักษ์คือเป็นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับกับรูปเลยนี่ในที่หนึ่งเอ่ออีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอรูปอรูปนี้ ในฌานนี้ไม่มีรูปด้วยอํานาจแห่งผลอรูปนั่นแลชื่อว่าอรูปังอรูปฌานมันอรูปปะคืออรูปฌานอารูปฌานเหล่านั้นเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเพราะถ้าปฏิบัติจนถึงอากาสารัญจายตนะ น, นะอากาสารัญจายตนะขึ้นไปแล้วจะไม่เป็นภูมิที่ไม่มีรูปประคันเลยสูตรเขามีอะไรนะเนี่อ ละรูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญาไม่ใส่ใจในนานัตตะสัญญาพิจารณาอากาศว่าไม่มีที่สุดอาตาโซอนันโตเนี่ยนะก็ผู้ผู้ที่จะบรรลุอรูปฌานได้จริงๆเนี่ยต้องละรูปนะรูปฌานนะละรูปประสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตะสัญญาเป็นต้นเนีการละได้อย่างนั้นเนี่ยแหละเป็น รูปประชานแต่ละโดยวิค้ำพนะประหารวิค้ำพนะประหารแต่ผู้ที่สลัดจากรูปได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับมาหารูปอีกเลยคืออรหัตตมรคชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปโดยประการทั้งปวง น, นะเพราะห้ามการเกิดใหม่ด้วยรูปอรหัตตมรคเนี่ยนะไม่อะไรนะเด็ดขาดจากรูปจริงๆไม่เหลือรูปแม้แต่หลังจากที่อรหัตตมรคเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นดับรูปได้อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าอารูปประชามยังไงก็ต้องเวียนกลับมาหารูปอีกนะต้องเวียนกลับมาหารูปอีกรูปเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละได้ง่ายๆนะพระอนาคามีอย่างละรูปไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยนะยังยังวนๆอยู่ในรูปอยู่ดีมันเกี่ยวกับเรื่องรูปไม่ใช่ละได้ง่ายๆเพราะถ้าเราติดในอาหารเป็นต้นนี่ถือว่าเรื่องปกตินะติดในอาหารติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาภัสติดในวัตถุในทวารในอารมณ์นี่ถือเป็นเรื่องปกติดี ทำไมขนาดพระนาคามียังต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์ที่เป็นรูปเนี่ยนะพันออกจากรูปได้อย่างเด็ดขาดนี่ต้องระดับอรหันตมรักษ์เนี่ยนะออกจากรูปได้อย่างแท้จริงและต่อเมื่อปรินิพพานแล้วด้วยนะหลังจากที่จุติ จ, จิตของพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจึงจึงไม่มีรูปโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเป็นพวกอรูปประพรมทั้งหลายก็ต้องเวียนกลับมาหารูปอีกอยู่ดี อย่างอุทะกะดาบทรามบทเนี่ยนะอยู่ในอรูปภพแปดหมื่นสี่พันกลับก็ครบแปดหมืนสี่พันกลับก็กลับมาหารูปอีกอยู่ดีบอกฟังแล้วนานไหมแปดหมืนสี่พันกลับไม่นานเพราะภพนั้นเนี่ยภพที่สบายมากเลยนะสงบละเอียดประนีตถึงเ้าเรียกว่าอะไรนะเป็นระดับแค่พูดอุปมาบอกว่าเหมือนกับนิพพานของวัตตาเพราะสงบสงบเนี่ยนะ แต่ก็ยังต้องเวียนกลับมาหารูปอีกอยู่ดีนะคล้ายๆกับว่าหลบไปพักผ่อนชั่วคราวแล้วกลับมาเดือดร้อนต่อหนีอะไรนะหนีงานชั่วคราวใช่ไหมพักผ่อนชั่วคราวนะแล้วก็กลับมาร้อนต่ออีกแล้วส่วนส่วนอะไรนิโรดนิโรดเนี่ยนะนิโรดเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังคตะธรรมนิโรดตัวนี้ก็คืออะไรคือพระนิพพานใช่ไหมพระนิพพานเนี่ย เป็นตัวที่สลัดออกจากสังคตะธรรมลักษณะของสังคตะธรรมคือภูตังเป็นสิ่งที่เกิดแล้วสังคตังเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยสร้างขึ้นปฏิจจะสมมุติ ป, ปนังธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นได้แก่ปัจจัย น, นั้นเกิดขึ้นโดยชอบและร่วมกันคําว่าภูตังเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอันท่านแสดงถึงความไม่เที่ยงด้วยการเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อมีความไม่เที่ยงครั้งที่สองท่านก็แสดงถึงความเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยการแสดงอนุภาพของปัจจัยเมื่อมีความเป็นไปในเบื้องหน้าครั้งที่สท่านก็แสดงถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ด้วยการแสดงถึงความเป็นผู้ขวนขวายปัจจัยคือหมายความว่าสังขารธรรมทุกชนิดนะมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยใช่ไหมสร้างขึ้นอย่างเช่นตาของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกปัจจนะัยเนี่ยสร้างขึ้นหูจมูกเล้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัย สร้างขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ปัจจัยสร้างขึ้นให้รู้เท่าว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่มีความมั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะอะไรคือเมื่อมันขึ้นตรงต่อปัจัยเนี่ยนะมันจะมีปัจัยที่ไหนมันมั่นคงให้ถึงขนาดว่าต้องแน่นอนตลอดไปมีไหม <Okay. S 1> เมื่อมันดำรงอยู่ด้วยปัจัยเนี่ยนะเมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งแปรไปปัจจยุบันคือผลนั้นๆพร้อมที่จะสลายไปพร้อมที่จะ เสียหายไปเนี่ยนะนิโรธคือนิพพานเนี่ยนะท่านกล่าวว่านิโรธเพราะอัตถาว่าอาศัยนิพพานดับทุกข์นิโรธนั้นชื่อว่าเป็นธรรมะสลัดออกจากสังคตะเพราะสลัดออกจากสังคตะทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัตกถาท่านจึงกล่าวไว้ว่าในบทนี้ว่านิโรโทตสะนิสรณงนิโรธเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังคตะนั้นนิโรธเนี่ยมีหลายในนะแต่ตรงนี้ประสงค์เอาอรหัตผล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 อรหั ต, ตผลเนี่ยเป็นจิตเจตสิกนะอารมณ์ของจิตเจตสิกอันนั้นคือนิพพานสังขารทั้งปวงย่อมไม่มีอีกไม่มีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิโรธเพราะเป็นตัดใ จ, จแห่งนิโรธอันได้แก่อรหั ต, ตผลตัวนิพพานเนี่ยเป็นอารมณปัจจใจของอรหั ต, ตผลอย่างพระพุทธเจ้านะถ้าใช้คําว่าพระพุทธเจ้าหลีเกรนที่ใดถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะได้ยินคําว่า พระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเล้นหรือภาษารีบุทพระโมคคัลลานะออกจากที่หลีกเล้นหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสวเววิมุตติสุขให้รู้เธอว่านั่นเข้าอารหัตผลสมาบัตินั่น่ะคือการหลีกไปเข้าอารหัตผลสมาบัติโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีความสงบจากกองทุกข์จริงๆเป็นอารมณ์ก็บอกอโลกนี้เนี่ยนะโลกนี้เราก็ว่ามันดีดี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 พูดคำไปงั้นนะัอย่างการ์ตูนคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่ใครก็บอกว่าชาติหน้าเป็นต้นไม่เกิดอีกแล้วดับได้หมดแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำพูดที่เพอ้อไปอย่าไปคิดอะไรมากเขายังไม่ตื่น่ะนะทีนี้ต่อไปในหน้าสองที่บอกว่าขอขอภัยนะย้อนอธิบายหน้าสิบเอดอีกนิดหนึ่งบอกว่า เมื Tuesday, Además, ่อบ ah ุคคลผู้ได้เนคขมมะเป็นอันละและสละกามไล่ได้แล้วด้วยวิขมพนาปะหานะในเพราะอุบายสลัดออกแห่งอสุพะฌานเพราะนั่นออกจากกามด้วยอสุพะฌานนี่เป็นวิขมพนาปะหานแต่ออกจากกามด้วยสมุทเฉทปะหานเพราะเป็นอุบายสลัดออกแห่งอนาคาเมมัคนะสลัดออกจากอนาคาเมมัคสลัดออกได้เด็ดขาดจริงๆก็ต้องออกด้วยอนาคาเมมัค อรูปรชาณิสลัดออกจากรูปด้วยวิขัมพนะประหารอารหัตตมร์กออกสลัดออกจากรูปด้วยสมุทเฉทประหารการตัดขาดรูปย่อมมีด้วยด้วยการละชันทราคะในรูปทั้งหลายอารูปรชานเนี่ยนะไม่ได้สลัดตัดชันทราคาอย่างเด็ดขาดจากรูปอะไรเมื่อบุคคลผู้ได้นิโรธเป็นอันละและสละสังขารได้แล้วด้วยนิสรณประหารในเพราะพระนิพานเป็น เครื่องสลัดออกด้วยปฏิปสัสสติปหานะในเพราะอารหัตผลเป็นเครื่องสลัดออกพึงทราบ ว, ว่าการได้เฉพาะด้วยสามารถทําให้เป็นอารมณ์ในเพราะความที่พระนิพพานเป็นเครื่องสลัดออกเพราะอารหัตผลนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์จึงสลัดออกจากวัตตะได้นี่มาดูการตรัสรู้อริยสัจนะตรันะตรสรู้อริยสัจปหานะสี่ในหน้าสองที่บอกว่าบุคคลผู้แทงตลอดทุกขสัจจะ เป็นอันแทงตลอดด้วยปริญญาปริญญาคืออะไรคือการตําหนดรอบรู้ย่อมละกิเลส ท, ที่ควร ล, ละได้บุคคลผู้แทงตลอดสมุทยสัจจะอันเป็นการแทงตลอดด้วยปหานะการละเนี่ยนะย่อมละกิเลส ท, ที่ควร ล, ละได้บุคคลผู้แทงตลอดนิโรธสัจจะเป็นอันออันเป็นการแทงตลอดด้วยสัจฉิกิริยาการทําให้แจ้งย่อมละกิเลสที่ควร ล, ละได้ บุคคลผู้แทงตลอดมัคคสัจจะด้วยการแทงตลอดด้วยภาวนาภาวนาแปลว่าการเจริญเนี่ยนะย่อมละกิเลสที่ควรละได้ทุกสัจบรรลุด้วยปริญญาสมุทัยสัจรบันลุด้วยปหานะนิโรสัจจะบรรลุด้วยสัจฉิกิริยามัคคสัจบรรลุด้วยภาวนาเนี่นนี่คือการแทงตลอดอริยสัจนะนะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าบรนลุบรนลุเขาบรรลุจะ ง, งี้ปฏิเวท ทั่วๆไปเขาเขนิยมแปลว่าบรรลุใช่ไหมทำมาพิสมัยก็คือการตรัสรู้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือสิ่งเดียวกันอธิบายในอัตถกาถาหน้าสิบเอ็ดบอกว่าการแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้ชื่อว่าปริญญาปฏิเวท ะ, ป, ะปริญญาปฏิเวทะงเนี่ยนะก็คือการปฏิเวทตัวนี้ก็คือการตรัสรู้นะเคยเคยได้ยินสามคำไหมปริยัตปฏิบัติปฏิเวทะนะนั่นแหละอันนี้หมายถึงปฏิเวทระดับสูงเลย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 กิจตรัสรู้นิโรธโดยอารมณ์ตรัสรู้มรรคโดยภาวนานัก็โดยกิจอีกนั่นแหละย่อมตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้เนี่ยนะตรัสรู้สมุทัยด้วยปหานาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการละตรัสรู้มรรคด้วยภาวนาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทําให้ให้เกิดขึ้นย่อมตรัสรู้นิโรธด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้ง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 อริยาศาศาสัจสี่นั้นเป็นการแทงตลอดจริงแท้บรรลุอย่างแท้จริงต่อเมื่อเห็นพระนิพพา น, า เ, นเมื่อเห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงชื่อว่าตรัสรู้อริยสัจถ้ายังไม่เห็นนิพพานก็ยังไม่ชื่อว่าก็ยังไม่ชื่อว่ารู้อริยสัจยังไม่ชื่อว่าบรรลุอริยสัจต่อเมื่อเห็นพระนิพพานนั่นนั่นแหละทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราพระนิพพานคืออะไรคือธรรมที่สงบประงับดับสังขารธรรม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 ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌานตาทางค่าประหารคือการละด้วยองค์นั้นนัน้ใช้คำว่าทิฏฐิก็ไม่พอต้องละด้วยองค์นั้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสคือตทางค่าปรหารเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อะไรนะทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมาาัคคามัคคายานัทสนวิสุทธิหรือวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นตทางค่าประหาร มันผู้ที่เจริญวิปัสสนานั่นแหละเป็นการละโดยตดทางข้าประหารสมุทเฉทประหารนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นโลกุตระมักปฏิปฏัสสติประหานะเป็นโลกุตระผลในขณะแห่งผลย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมักเครื่องให้ถึงความสิ้นไปนิสรณะปะหานะเป็นนิโรธคือพระนิพพานคำอธิบายในหน้าสิบเอ็ดย่อหน้าล่างๆบอกว่า การขม่มการทําให้ไกลซึ่งปัจจนิกธรรมมีนิวรณ์เป็นต้นด้วยโลกิยะสมาธิ น, นั้นนนั้ดุดเอาหม้อเหวี่ยงลงไปในน้ําที่มีแหนทําให้แหนกระจายไปไกลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิขำพระนภะหันสมัยใหม่เขานิยมอุปมาว่าวิขำพระนภะหานคือหินทับทับอะไรหินทับหญ้าถือว่าเป็นอ่าเป็นข้ออุปมาที่ใช้ไม่ไดอ้อุปมาที่ถูกต้องเนี่ยนะว่า วิค้ำพนะประหารเนี่ยนะการข่มอะไรที่นี้แปลว่าเหมือนกับเราไปจะไปตักน้ําเนี่ยนะจะไปตักน้ําที่น้ําเนี่ยเต็มไปด้วยจอกแหนะทําไงก็เอาหม้อนี้ทุ่มลงไปแล้วก็ปัดพวกแหนะพวกจอกพวกแหนะมันก็จะแหวกออกไปไกลๆจึงสามารถตักเอาน้ําไปดื่มได้ไม่ใช่เอาไปข่มแหนะทับแหนะอะไรไม่ใช่แต่เป็นการแหวกแหนะแหวกอแหวกจอกแหวกแหนะ่ออกไปเนี่ยนะชัะนใดก็ดีปฐมวิชาเนี่ยแหวกอักุศนออก คือปัดอกุศลเช่นปัดนิวรนให้ไปไกลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเนี่ยการละนิวรนด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่ผู้เจริญปฐมฌ า, านเพื่ทราบว่าท่านกล่าวถึงการละนิวรนเพราะนิวรนปรากฏอันที่จริงนิวรนเนี่ยยังไม่ครอบงําจิตเร็วนักทั้งในส่วนเบื้องต้นทั้งในส่วนเบื้องหลังแห่งฌานเมื่อจิตถูกนิวรนครอบงําฌานย่อมเสื่อม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาจะเข้าฌานเนี่ยนะก่อนจะเข้าฌานต้องขมนิวรณนก่อนต้องปัดนิวรอนออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วจึงเข้าฌานได้พอออกมาจากฌานนิวรอนก็ยังอยู่ไกลอีกแต่ถ้าไม่หันไปเข้าฌานอีกเดี๋ยวก็รวมตัวกันอีกเดี๋ยวนิวรอนก็รวมตัวกันอีกนะเพราะนั้นก่อนจะก่อนจะเข้าฌานนี่จึงเป็นการแหวกนิวรอนออกไปนะเหมือนแหวกถ้ายังเจริญฌานอยู่ก็ยังแหวกออกไปได้เท่านั้นแต่ถ้าเลิกเจริญฌานเมื่อไหร่นิวรอนก็เข้าสู่ภาวะปกติ พันเนคขมมะเนี่ยเป็นการแหวกแหวกนิวร์อ่ะเข้าไปนะอะไรนะวิคขำพนะคือการแหวกนิวร์ออกไปถ้าปฐมชาญแหวกนิวร์ทุติยชาญแหวกอะไรออกไปแหวกวิตกวิจาร์ออกไปตาติยชาญแหวกอะไรออกแหวกตีติจตุทชาญแหวกสุขแหวกทุกโสมนัตโทมนณตก่อนๆอรูปชาญแหวกแหวกรูปชาญทั้งหมดนี่ออกไป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 ดำรงอยู่ในส่วนแห่งความวิเศษพิเศษยิ่งขึ้นไปและในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสเนี่ยนะเาแบ่งออกเป็นสี่ระดับด้วยกันในขณะที่เจริญปฐมฌมานมมหรือเจริญสมถะทั้งหลายเนี่ยเป็นการแหวกนิวร์ น, นะแหวกคือการข่มนิวรออกไปส่วนต่ทางค่าปะหานะเนี่ยนะตะทางค่าปหานะการละด้วยองค์นั้นๆนนเนี่ยนะ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 อนุภาพของวิปัสสนาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเหมือนจุดประทีปในในที่มืดเขาจึงเรียกว่าตะทางค่าประหาระเนี่ยนะนะการละด้วยการะละด้วยด้วยองค์นะั้นะละอย่างไรละสะกายทิฐิด้วยการกำหนดนามรูปด้วยการกำหนดสังขารเนี่ยนะกหนดนามรูปละวิจิกิจชาด้วยการกำหนดอะไรกำหนดปัจจัย นะด้วยการกละวิจิกิจชาร์ด้วยการกําหนดปัจจัยละการสําคัญว่าเราว่าของเราด้วยกลาปะสมัมมาสนะละสัสตทิฏฐิด้วยการพิจารณาความเกิดละละอุเฉท ท, ทิฏฐิด้วยการพิจารณาความเกิดละสัสตทิฏฐิด้วยพิจารณาความดับละความสําคัญว่าไม่ใช่ภัยด้วยพยตูปทานนะเป็นต้นเนี่ยก็จะมีการละเป็นต้นไปโดยลําดับแลนะการละไปตามลําดับ หรือละตามลำดับตามคุณภาพของปัญญาดังที่กล่าวไปเรียกว่าตะทางข้าปรหารก็คือวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองอันวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นการละตามขีดความสามารถของของปัญญาหรือของวิปัสสนานั้นๆตรงนี้ท่านยกทิฐิมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะที่ที่ยกทิฏฐิมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าทิฏฐินี่เป็นของหยาบส่วนสัญญานี่เป็นของละเอียดเนี่ยนะะละทิฐิได้ คือถ้าละทิฏฐิเนี่ยละอะไรละทิฏฐิวิปลาสทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นอัตตาเพรันผู้ที่เจริญวิปัสนาทั้งหลายก็แหวกหรือส่งให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วไม่เที่ยงนะจริงๆแล้วเป็นทุกข์จริงๆแล้วเป็นอนัตตาเนเพราะพั น, นะนตัววิปัสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวชำเรกชำเล็กออกจากทิฏฐิเป็นต้นได้เอง